เรื่องสละทรัพย์ทางโลกสั่งสมทรัพย์ทางธรรมโดยอาจารย์ทัชนาพรเสนารักษ์หรืออาจารย์นิดเนื่องจากเจ้าของเรื่องเป็นสุภาพสตรีนะครับดังนั้นขออนุญาตเปลี่ยนสรรพนามตามบทความจากดิชันเป็นข้าพาเจ้าเพื่อความเหมาะสมในการอ่านนะครับ บวัดที่ถูกใจก่อนที่ข้าพเจ้าจะมารู้จักหลวงตาและวัดป่าบ้านตาดข้าพเจ้ายังทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยบ่อพิษพิมุกฝ่ายบริการการศึกษาและต่อมาก็ย้ายไปเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาเวลาข้าพเจ้าไปทำบุญตามวัดต่างๆสิ่งที่เห็นทาให้อยากเลิกทาบุญนี่เป็นความรู้สึกนึกคิดส่วนตัว ตอนนั้นประมาณพุทธศักราช 2,518 จึงอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปที่บ้านว่าหากมีพระที่ประพฤติปฏิบัติ ด, ดีอยู่ที่ไหนในประเทศไทยขอให้ได้พบไม่เช่นนั้นจะเลิกทำบุญแล้วเนื่องจากเห็นสภาพวัดและพระในเมืองและพระใกล้ๆตัวและไม่ศรัทธาวัดสกปรกพระก็ประพฤติปฏิบัติไม่งามพระไปโบกมือให้ศีกาได้อย่างไรท่านต้องสํารวมต้องอยู่ในศีล227ข้อ พอเห็นพระท่านเป็นแบบนั้นแล้วก็หมดศรัทธาปลายปี2522หรือ2523จะไม่ได้แน่อาจารย์จินตนาขณะนั้นเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์แต่ตอนนี้สิ้นชีวิตไปแล้วมาชวนไปทอดพระป่าที่วัดป่าบ้านตาดแล้วไปทอดกระเทียนที่วัดหลวงปู่คำดีข้าพเจ้าก็ไปกับเขาไปกันเป็นหมู่คณะแล้วก็ได้พบว่าวัดป่าบ้านตาดเป็นวัดที่ถูกใจคือไม่มีวัตถุมาก ไม่มีวัตถุโอรานและมีความสงบนี่คือเริ่มถูกใจหลังจากนั้นก็เริ่มมาทำบุญที่นี่